พระบัญญัติห3 4ก็ภิกษุณีใดครึ่งเครียดบริพาทคณะต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีจันทากาลีจบ